วันนี้หลวงพ่อจะสอนเรื่องการเจริญปัญญาให้การเจริญปัญญานะั้นไม่ใช่เพื่อให้เราฉลาดแต่เพื่อให้จิตเข้าใจความฉลาดของเราไม่มีความหมายอะไรอย่างเรามีความรู้อะไรต่ออะไรไว้พอเราแกนะ่มันก็ลืมไปหมดแล้วพอตายไปก็ลืมหมดไม่มีอะไรเหลือพวกเราชาติก่อนเราเป็นอะไรมาเราก็จำไม่ได้ แต่เราจะ่าฝึกจนกรทั่งจิตมันเข้าใจให้จิตมันเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจถ้ามันเข้าใจแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็คือหลุดออกจากกองทุกขนน์เรียกว่าพ้นทุกข์ขันยังมีอยู่แต่จิตมันพ้นจากขันเรียกว่าพ้นทุกข์อยู่เพื่อดำรงชีวิต ย, ยังมีความสุขไปเต็มเปี่ยม ไม่มีพล่องสักนิดเลยจนกระทังวันที่ตายวันที่สิ้นขันวันสิ้นขันก็คือสิ้นทุกเป็นวันดับขันดับสนิทแห่งทุกเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกได้ก็าอาศัยการได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น เป็นอิสระพ้นจากอะไรพ้นทุกจากทุกพ้นจากรูปนามการที่จะให้จิตเห็นความจริงได้นะไม่ต้องไปโฆษณาชวนเชื่อไม่ต้องไปพร่ำสอนจิตว่าเชื่อเธอเชื่อเธอร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดไงก็ไม่ได้ผลหรอกจิตมันจะดือ้อมันต้องพาจิตให้ดูของจริง วิปัสสนากรรมฐานะคือวิชาที่จะพาจิตให้ดูความจริงของกายของใจของรูปนามจิตที่จะดูความจริงของรูปนามกายใจได้ต้องมีเครื่องมือที่สำคัญอย่างน้อยสองตัวตัวที่หนึ่งสติตัวที่สองสมาธิชนิดตั้งมั่นมีสติอย่างเดียวไม่พอมีสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมา เครื่องมือคือตัวแรกคือสตินะสติเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกมีสุขมีทุกข์รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกนะเกิดกุศลรู้สึกรบกรดลงรู้สึกเนี่ยสติจะเป็นตัวระลึกไดนะ้ถึงความมีอยู่ของสภาวะางั้นสติเนี่ยเป็นตัวรู้ความมีอยู่ของสภาวะธรรม สิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมคือรูปธรรมกับนามธรรมปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวธรรมคือรูปนามทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมาธิคือความตั้งมั่นจิตจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงเมื่อเป็นแค่ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการจิตจะเป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตการทํางานของกายสังเกตการทํางานของใจจิตอยู่ต่างหากจิตไม่เข้าไปยุ่งด้วย ไม่ใช่ว่าคอยไปบังคับต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องหายใจแบบนี้อันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเดินต้องเดินอย่างนี้นั่งเดินอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้ลรก็ต้องรู้เลยว่าเป็นแค่สมถะเราจะดูอย่างที่มันเป็นจริงเราไม่เข้าไปแทรกแซงตรงที่ไม่เข้าไปแทรกแซงได้รู้ได้ตามความเป็นจริงได้จิตจะต้องเป็นคนดู นั้นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละตัวสาคัญมากหลวงพ่อสังเกตดูพวกที่เข้าคอร์สนะฝึกสติมาแต่สมาธิยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกนะไม่เข้าบ้านเรียกว่าขาดสามมาสมาธิตัวจริงที่จะไปใช้เดินปัญญาสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากอะไรสติสั่งให้เกิดนั้นเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตา ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้เพราะพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะทําให้สติเกิดคือการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานในเบื้องต้นทําไปเพื่อความมีสติสติปัฏฐานในเบื้องปลายทําไปเพื่อให้เกิดปัญญาสติปัฏฐานมีสองขั้นสติเกิดจากอะไรอันแรกสติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะสติทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิต เช่นจิตมีอากุศลอยู่พอสติเกิดเน้อากุศลดับเองเลยนะมันคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วมันคอยคุ้มครองเกื้อกูลให้จิตพัฒนาไปในทางที่ดีเนี่ยหน้าที่ของมันนะสิ่งที่ทําให้สติเกิดคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นนะจิตจําสภาวะได้แม่นมันก็เหมือนอย่างเราเห็นคนคนนึงทุกวันเดินผ่านหน้าบ้านเราทุกวัน เราจาได้แม่อาจจะไม่รู้จักชื่อเขาก็ได้นะสภาวะบางอย่างเราไม่รู้จักเรามันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรแต่เห็นมันมาเรื่อยๆการที่มันมาแล้วเราก็เห็นมันมาแล้วเขาก็าก็เห็นนะเราจะจาแม่นต่อไปไปเจออีกตาคนนี้ที่ไหนนะัมันก็จาได้นะเออาะไ อ, อ้คนนี้มาอีกแล้วนะวิธีฝึกให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะเนืองเนือง พระเจ้าจึงใช้คําว่าหรู้กายในกายเนืองเนืองรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองรู้จิตในจิตเนืองเนืองรู้ธรรมในธรรมเนืองเนือ ง, ร, องรู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆจิตก็จะจําได้จิตจําได้พอสภาวะอันนั้นผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาในร่างกายหรือผ่านเข้ามาในจิตใจสติก็จ ะ, ะระลึกได้โดยที่ไม่ได้สั่งให้ะระลึกนะงั้นเราจะอยู่นึกว่าฉันจะมีสติฉันจะมีสติ เห็นเขียนป้ายโฆษณาตามข้างถนนนะขับรถให้มีสติพูดง่ายสติมันไม่ได้สั่งให้เกิดได้นี่แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเขียนป้ายมีสติอยู่สักหน่อยก็ยังดีแต่ว่าสติจะเกิดไหมยังไม่เกิดหรอกสติเกิดจากจิต จ, จําสภาวะได้แม่นแล้วสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นถ้ามันไม่รู้จักสภาวะจําสภาวะไม่ได้ถึงสภาวะมามันก็ไม่เกิดงั้นเราต้องมาหัดรู้สภาวะนะเบื้องต้น จะรู้อะไรก็ได้นะในรูปในนามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจัดสรรตัวอย่างเอาไว้ให้เราดูนะท่านเลือกไว้ให้แล้วไปดูในมหาสติปทานสูตรนะมีสี่หมวดใหญ่ๆนะเรียกกายเวทนาจิตธรรมกายท่านบอกว่ามีกายในกายอะไรเรียกว่ากายในกายกายในกายเนี่ยหรือเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยเป็นสั์เฉพาะ หมายถึงว่าเราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราเข้าใจกายทั้งหมดเราเรียนรู้เวทนาบางอย่างถ้ารู้เวทานานั้นแล้วนะจะเข้าใจเวทนาอื่นทั้งหมดเราดูจิตใจบางอย่างที่เพียนครขี้โกรธก็รู้ความโกรธเกิด <LC those> <Aa> ก็รู้โกรธก็รู้สุดท้ายจะเข้าใจจิตทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะกายในกายก็คือเรียนรู้กายบางอย่างไม่ต้องเรียนรู้กายทั้งตัว อย่างพวกหมอต้องเรียนรูปกายทั้งตัวใช่ไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าจับพาดูตรงโน้นดูตรงนี้เราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเราเรียนกายในกายคือเรียนกายบางอย่างเช่นอะไรเช่นเราเรียนร่างกายที่หายใจออกรู้สึกตัวร่างกายที่หายใจเข้ า, ารู้สึกตัวค่อยรู้สึกตัวอยู่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ า, ารู้สึกเรียนอยู่แค่นี้นะต่อไปถ้าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมันรู้สึกทั้งวันอยู่แล้วล่ะเพราะทั้งวันมีแต่หายใจออกกับหายใจเข้านึกออกไหม เราฝึกไปเรื่อยนะจนกระทั่งสติมันเกิดเวลาหายใจหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกสุดท้ายสติเกิดทั้งวันนะเพราะว่าทั้งวันมีแต่หายใจออกหายใจเข้าหรือยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยจนกระทั่งสติมันระลึกได้เองจะขยับขยื่นนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะมันรู้สึกได้โดยไม่ได้เจตนารู้สึก พอมันรู้สึกได้โดยไม่เจตนารู้สึกเนี่เรียกรู้กายบางอย่างละคือรู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนถ้ายืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกได้นะีรู้สึกได้ทั้งวันละเพราะอิริยาบถของเราใหญ่ๆมีอยู่แค่นี้เองอย่างบางคนกระโดดใช่ไหมบอกไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนมีกระโดดแต่ตอนจะกระโดดก็ต้องยืนก่อนใช่ไหมก็มีไอ้ช่วงที่กระโดดมีนิดเดียวหรอกใครมันจะเป็นจิงโจ้โดดทั้งวันใช่ไหมมันไม่ได้ทําอย่างนั้นอ่เะเงัอนยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะ สติจะเกิดได้ทั้งวันอยู่แล้วหรือขยับเคยื่นเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเนี่ยแค่ดูกายอย่างเดียวดูกายในมุมเดียวของความเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดดูมันมุมนี้แคะนะนะ่นั้นนะเนี่ยเรียกกายในกายนะนี่ก็หนึ่งมุมถ้าเคลื่อนไหวก็รู้สึก <això> หยุดนิ่งก็รู้สึกก็จะรู้สึกได้ทั้งวันแล้วเพราะทั้งวันมีแต่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่ง คำว่ากายในกายนะเรียนรู้กายบางอย่างแล้วก็จะเกิดสติตลอดเวลาได้แล้วต่อไปก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายจะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราถ้ารู้สึกได้อย่างนี้นะร่างกายตอนไหนมันก็ไม่ใช่เราละร่างกายยืนไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรานอนไม่ใช่เราร่างกายตอนไหนไหนก็ไม่ใช่เราละร่างกายไม่เป็นเราอีกแล้ว เคลื newly, and and math, ่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราร่างกายก็จะไม่เป็นเราตอนไหนก็ไม่เป็นเราอีกละอันนี้เรียกว่ามีปัญญางั้นทีแรกฝึกหันดูสภาวะเรื่อยๆนะจนสติเกิดแล้วก็ฝึกจนกระทั่งสติเนี่ยเข้มแข็งเกิดได้อัตโนมัติเกิดได้ทั้งวันเลยหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าเขารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกตัวเยฝึกอย่างนี้แล้วอย่างเดินจงกรมนะเดินไปเพื่ออะไร เดินเพื่อรู้สึกตัวในเบื้องต้นนะในเบื้องปลายเดินเพื่อให้เห็นความจริงว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราไอ้อคนที่ไปดูร่างกายที่เดินก็ไม่ใช่เราเนั่นเป็นปัญญามันจะมีสองขั้นขั้นให้มีสติขั้นให้มีปัญญาขั้นให้มีสตินะก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆจนกระทั่งมันรู้ได้เองนะเช่นเราเคยดูความโกรธความโกรธผุดเรารู้โกรธผุดเรารู้ทีแรกก็ต้องจงใจดู เพราะคนทั่วไปเนีเวลาโกรธเนี่ยจะไปดูคนที่ทําให้โกรธเราโมจะดูคนอื่นเราเปลี่ยนมาคอยรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นในใจโกรธขึ้นมาเราคอยรู้โกรธขึ้นมารู้ต่อไปนะมันโกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นี่เรียกสติเกิดล้แล้วพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะทั้งวันเราเห็นจิตอยู่2อชนิดจิตโกรธกับจิตไม่โกรธอย่างคนขี้โมโหเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีแต่เรื่องแค่เนี้ยเราก็ใช้ความโกรธ สุ่มตัวอย่างของจิตมาเรียนอันเดียวนะคือจิตโกรธเนี่ยสําหรับคนขี้โกรธคนขี้โลภก็สุ่มตัวอย่างมาเรียนอันเดียวจิตโลภจิตมีโลภะก็รู้จิตไม่มีโลภะก็รู้เนี่ยเราเคยดูอย่างนี้ดูมันคู่เดียวก็พอนะคนไหนมีตัวไหนมากก็เอาตัวนั้นแหละมาดูบ่อยๆต่อไปพอจิตมันโกรธขึ้นมาหรือมันโลภขึ้นมานะมันรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ทีแรกมัต้องจงใจหน่อ ย, อยนะเพราะมันเคยชินที่จะไปรู้สิ่งอื่น เวลาราคะเกิดก็จะไปดูคนที่เราชอบเวลาโทสะเกิดก็ไปดูคนที่เราเกลียดนีมันไม่ดูว่าจิตกำลังชอบจิตกําลังเกลียดหัดย้อนมาดูหัดย้อนมาดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆต่อไปพอความรู้สึกเกิดสติจะเกิดเองจะรู้ทันว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วสติเป็นตัวรู้สภาวะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนี่พอฝึกมากข้ามากเข้าวนะต่อไป็นจะมีทั้งวันจะรู้ได้ทั้งวันเพราะสิ่งที่พระุทธเจ้ายกตัวอย่างมาให้เราแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนี่ย เกิดขึ้นทั้งวันหายใจออกหายใจเข้าหายใจทั้งวันไหมทั้งวันมีอยู่แค่นี้เองหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกทั้งวันใช่แต่ก่อนจะรู้สึกก็ต้องตั้งใจรู้สึกก่อนไม่งนใจมันเดี๋ยวล่องลอยเราก็มานั่งหายใจหายใจหายใจออกรู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปต่อไปร่างกายมันหายใจนะมันจะรู้สึกเอง นี้ถ้าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็ร mm. right? so ู้สึกความรู้สึกตัวก็จะต่อเป็นสายเลยนะสติของเราก็จะดีรู้สึกได้ทั้งวันเลยไม่ได้เจตนารู้สึกด้วยแล้วก็ถ้าจะเป็นขั้นปัญญาก็จะเห็นไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราจิตที่ไปคนรู้ร่างกายที่หายใจก็ไม่ใช่เราจะเห็นในนั้นหรือเห็นว่าตัวสุขทุกข์ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้สุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราร่างกายที่สุขทุกข์ไปอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนั้นนี่เป็นปัญญา หรืเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหายใจออกเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับยืนเกิดแล้วก็ดับนั่งเกิดแล้วก็ดับนอนเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ก็เป็นปัญญาเห็นอนิจจังตัวที่เห็นว่าไม่ใช่เรานั้นเรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยหัดนะเรียกว่าหัดเจริญสติปัฏฐานให้ได้สติให้ได้ปัญญาขั้นแรกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะให้กันบ้านแล้วนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทํา ถ้าอยากได้มากผลนิพพานแล้วไม่ทําอะไรเลยนอนกะดิกเท้าทุกวันทุกวันโคงกระดิกเข้าลงอย่างนั้นเลยไม่ได้กินหรอกกิเลสมันไม่ยอมเราง่ายๆนะต้องอดทนต้องต่อสู้อยากได้ของดีต้องทําอยากจะพ้นถูกต้องทํามันเรื่องอะไรพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปล่อยชีวิตนะให้เป็นไปตามยถ า, ากรรมเหมือนสัตว์โลกที่ไม่เคยได้ยินธรรมะ สัตว์โลกที่ไม่ได้ยินธรรมะใช่ไหมมันโตขึ้นมาหาอยู่หากินมีลูกมีเมียออกลูกออกหลานไปแล้วก็แก่ก็เจ็บก็าตายไปชีวิตเราต้องการแค่นั้นเหรอต่ำต้อยขนาดนั้นเหรอนะงั้นเรามีโอกาสเรามีบุญวาสนานะถือว่ามีบุญมากนะคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนะี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องลงมือทำกรรมฐานนะถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิต มีเครื่องอยู่ของจิตอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนะใช้ลมหายใจเวลาจะทำความสงบนะใช้ลมหายใจแต่ตอนที่มาเจอหลวงปุ ด, ดุลมาเจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตตานนปัสสนาดูความรู้สึกของจิตจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้คอยดูอย่างนี้นะหัดดูไปไร้สุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นเลยทุกอย่างมันไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะ ปัญญาขั้นสูงสุดก็คือเมื่อตัวเราไม่มีแล้วอะไรมีอยู่ว่าทุกมีอยู่ขันห้านี่คือตัวทุกทุกมันมีทุกมีแต่ไม่มีเจ้าของเพราะไม่มีเรานะทุกมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันมันทำงานไม่ใช่เราทำงานนะมันสักแต่ว่าทำงานพราะว่าจิตไม่เข้าไปทำด้วยนะมันจะเป็นขันทำงานอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นแค่กิริยาของขัน เป็นแค่กริยาของขันกริยาของจิตที่ทำงานแต่ไม่มีการกระทำกรรมนะมีการทำงานนะแต่ไม่ใช่การกระทำกรรมเพราะไม่มีโลภะเจตนาใดๆเข้าไปเจือเลยเนะี่ยต้องค่อยๆฝึกนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ก็ต้องสู้เลยนะสู้กันหลายปีแหลนะยกเว้นคนที่มีบุญมากๆนะมีบุญมากๆบางท่านนะีอย่างหลวงปู่ หลวงปู่บุตดาหลวงปู่บุตาพาวนาอยู่ 3, สามพันศาอย่างเนี้ยนะก็ไม่ถูกละบางองค์ก็ภาวนา 10, สิบหัวพันศะาสิบหกพันศะาบางองค์ภาวนาไม่กี่เดือนหลวงปู่ดูลนะใช้เวลาสั้นมากเลยเนะพราะอะไรแต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากันสะสมมาไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนเคยสะสมที่จะฝึกสติสติก็เกิดเร็ว บางคนเคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยมีสติด้วยจิตตั้งมั่นด้วยจิตก็ตั้งมั่นเร็วบางคนเคยฝึกแยกธาตุแยกขันธ์จเจริญปัญญานะมันก็จเจริญปัญญาเร็วถ้านะบารมีแก่กล้าพอมากผลก็เกิดเกิดขึ้นมีกรรมฐานที่ง่ายๆอยู่อันหนึ่งที่อยากให้พวกเราเรียนนะมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในรุ่นเราคือพวกคิดมากพวกสมาธิน้อยพวกเราเคยได้ยินว่าสมาธิสั้นไหม สมาธิสั้นคะได้ยินไหมเนี่ยคนที่ใช้ประโยคเนี่ยไม่รู้ความจริงและสมาธิก็ เ, เกิดทีละขณะจิตนะสั้นเท่ากันทุกคนเลยเพีย <laughs> งแต่ว่าบางคนนี่นะมันเกิดซ้ำๆๆๆได้เยอะของเรามันซ้าๆได้เจนะ็ดขณะนั้นก็ฟุ้งซ่านหายไปอีกนอนเลยหายไปแสนโกดขณะค่อยมันรู้สึกอีกเจนะ็ดขณะของคนที่เขาฝึกจิตฝึกใจมาดี เขาเกิดเจ็ดขณะแล้วต่อด้วยเจ็ดขณะต่อด้วยเจ็ขณะแล้วต่อเข้าไปเรืยสมาธิเขายาวก็อยู่ที่ฝึกเอาของฟรีไม่มีของดีต้องทําเอาทีลาทําความชั่วยังทําเองเลยใช่ไหมนึก อ, ออกไหมความชั่วเราก็ทำของเราเองอะของชั่วเรายังทําเองเลยทําไมของดีไม่ทำอะจะบ้าเหรือจนะองโง่ขนาดไหนจะชมอยู่ในความทุกข์นี่รันดอนจะมาฐานที่ง่ายๆนะเหมาะกับคนที่ฟุ้งซ่านแบบพวกเราเนี้ย คือการรู้ทันจิตใจของตัวเองหลวงพ่อสอนมาหนักหนาแล้วนะการดูจิตใจนะถ้าจิตเรามีกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้สีนอตโนมัติจะเกิดขึ้นถ้าจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตมันเคลื่อนไปไหลไปคิดหรื อ, อไหลไปเพ่งเรารู้ทันนะจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นคือสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะเห็นอย่างสมว่าเราฝึก กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เนี่ยฝึกอยู่แค่เนี้ยไม่ต้องทําอะไรมากนะจิตหนีไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้เนี่ ย, ย, ร, นะ ร, ร, ยรับรองว่าไม่ผิดศีลเพราะคนที่จะเกิดกิเลสได้นะจิตต้องเคลื่อนไปก่อนถ้าจิตเคลื่อนก็รู้ว่าจิตมีโมหะขึ้นมาเราก็รู้แล้วนะกิเลสไม่มีกิเลสอื่นๆหยาบๆไม่เกิดไม่ได้เลยมีแต่โมหะนะเคลื่อนคลิกคลิกคิกเนี่ย เมื่อกิเลส อ, อยาไม่เกิดศีลมันมีเองนะถือศี น, น ง, ง่ายจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราได้สมาธินะแค่รู้จิตเคลื่อนนี่ใช่ไหมมีได้ทั้งศีนได้ทั้งสมาธิต่อไปฝึกต่อเห็นดูมันเคลื่อนเอ๊ะมันเคลื่อนได้เองจิตเคลื่อนได้เองจิตรู้ทันว่าเคลื่อนก็รู้ได้เองพอรู้ทันว่าเคลื่อนแล้วก็ตั้งมั่นได้เองจิตนี่เป็นเองจิตนี้เป็นอนัตตานี่คือตัวปัญญา เพราะฉั้นการที่เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าไปบังคับให้นิ่งให้รู้ทานจิตที่เคลื่อนนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะไม่ยากอะไรเลยนะนี่หลวงพ่อไปเจอที่หลวงตา ม, มหาบัวท่านสอนไว้นะนี่อุตสาห์ไปนั่งจดมาท่านบอกว่าอาการของจิต ท, ทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปลวนอย่าตื่นเงาของจิตตัวเองจะเดือดร้อน ความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้องแล้วเห็นไหมรู้ว่าเผลอพอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บ ก, ก็ไม่เผลอเนี่ยก็รู้อยู่ว่าไม่เผลอเนี่ยแม้แต่สอนอันเดียวกับที่หลวงพ่อสอนยิงอาการของจิตทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปรวนเช่น โ, โลภโกรธหลงสุขทุกเกิดแล้วต้องดับมันแปรปรวนจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่เคลื่อนเกิดแล้วก็ดับนี่มันแปรปรวนเป็นอาการของจิต อย่าตื่นเงาของจิตตัวเองอย่าเดือดร้อนคืออย่าไปวุ่นวายอย่าไปหลงกับอาการนะความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้องแล้วความเสื่อมความจเจริญเป็นอาการของโลกเห็นไหมไม่ได้เอาเสื่อมไม่ได้เอาจเจริญ น, นะไม่ได้ภาวนาว่าทําไงจะเจริญ น, นะแต่ดูเลยเสื่อมก็อย่างนั้นแหล ะ, จะเจริญก็งั้นแหละทุกอย่างเกิดระดับนะความเสื่อมความจเจริญเป็นอาการของโลกให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเสื่อมหรือจเจริญ นี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ใครเป็นคนรู้ว่าเสื่อมหรือเจริญจิตเป็นคนรู้พอเสื่อมจิตก็ยินร้า ย, ยให้รู้ทันว่ายินร้ายนะพอเจริญจิตยินดีรู้ว่ายินดีให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเสื่อมหรือเจริญนี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ความรับรู้ทุกขณะนี้และเป็นธรรมยั่งยืนเราเป็นนักปฏิบัติอย่าหลงตามอาการของความเสื่อมความเจริญ จงรู้ตามอาการเห็นไหมรู้ตามอาการไม่ได้แทรกแซงมันนะมันเจริญก็รู้มันเสื่อมก็รู้มันสุข ก, ก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้แค่ตามรู้อาการของมันนะไม่ได้ให้ไปแทรกแซงนะบอกจงรู้ตามอาการใช่ไหมใช้คําว่าตามเลยนะจึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมเลอันนี้ท่านขยายความยกตัวอย่างบอกดวงไฟนะยังมีแสงมีดอกแส ง, งมีสเก็ดไฟยังจุด ไฟไว้นะไฟจุดฟื้นหนึ่งท่านคนบ้านนอกท่านใช้ฟื้นมันมีสเก็ดไฟนะบอกดวงไฟยังมีดอกแสงควันไฟต้องแสดงความเกิดดับจากดวงไฟเป็นธรรมดาเห็นไหม ส, สเก็ดไฟออกมาก็ดับควันออกมาแล้วก็ดับจิตยังมีอาการเกิดเกิดดับดับซึ่งเกิดจากดวงจิตต้องมีเช่นเดียวกันนั่นการเกิดดับไม่ใช่เพื่อไปแก้มันนะมันเป็นธรรมดามันต้องมี ข้าสำคัญอย่าหลงตามเสื่อมจงรู้ตามจเจริญจงตามรู้เผลอหรือไม่เผลอจงตามรู้ทุก อ, อาการจึงจัดว่าค้นคว้าความรู้เท่าเป็นความรู้เท่าในอาการเกิดเกิดดับดับของสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาเสมอไปนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้รู้จะรู้เท่าทันโลกและเรียนโลกจบจึงจะพบของจริงใช่หไหท่านสอนขนาดนี้เลยนะ รู้จิตที่มันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยนะแล้วอย่าไปกลัวบางช่วงมันรู้ได้เยอะมันเจริญบางช่วงมันหลงเยอะว่าเสื่อมอย่าไปตกใจอย่าไปตกใจกับความเจริญและความเสื่อมอย่าไปตกใจกับความดีและความชั่วอย่าไปตกใจกับความสุขและความทุกข์อย่าไปตกใจกับความสงบและความฟุง้งซ่านสิ่งที่เป็นคู่คู่อย่า ง, งนี้เป็นอาการของจิต ท, ทั้งหมดเลยเป็นธรรมดาของโลกต้องเป็นอย่างนั้น เราแค่ตามรู้ตามเห็นมันนะด้วยใจที่ตั้งมัน่นด้วยใจที่เป็นกลางนะนี่แหละเป็นทางที่จะออกจากโลกนะท่านใช้คํานี้เลยว่าจะเรียนโลกจบนะจะเรียนโลกจบจึงจะพบของจริงเรียนโลกจบก็คือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่ารูปนามขันหานี้เป็นตัวทุกข์ลำพังเห็นว่ารูปนามขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่จบนะเป็นปูมของพระโสดาบันถ้าเรียนว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ เป็นภุมิของพระอนาคาถ้าเรียนรู้ว่าตัวจิตนี้แหลกระดุกดิกกระดุกดิกเนี่ยคือตัวทุกข์นี่ปุ่มของพระรอรหันต์นะจะถึงพัฒนพ์พระอรหันต์แลจะเรียนโลกจบแล้วอะไรที่เรียกว่าโลกรูปประธรรมนามธรรมนี่แหละรูปประโลกอรูปประโลกนี่แะนะคือตัวโลกนะจะเรียนโลกจบคําว่าโลกกับวิถูเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินว่าโล ok กวิถุใครไม่เคยได้ยินยก ม, มือซิมีไหม ไม่เคยได้ยินคำว่าโลกาวิทู ม, มีไม่ต้องเกรงใจนะจะได้รู้ว่าไม่เคยสวยดมนต์เนี่ยเขกบาลได้พระพุทธเจ้าเหนื่อยแทบตายคิดถึงท่านสนิยก็ไม่ได้โลกาวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งรูปนามสิ่งที่บบเรียกว่าโลกคือรูปนามนะไม่ใช่โลกภูมิศาสตร์ดาวโน้นดาวนี้อันนั้นของไม่สําคัญอันนั้นเป็นโลกธรรมดา โลกที่ชาวพุทธเราจ้องเรียนเนี่ยคือรูปธรรมนามธรรมนะเราเรียนรู้โลกอันนี้ถ้ารู้โลกแจ่มแจ้งคือรู้ว่าโลกนี้คือตัวทุกุรูปนามนี้คือตัวทุกขจิตจะวางรูปนามลงจิตจะวางของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้วางได้นะจะวางเองอัตโนมัติเลยเมื่อจิตวางเองแล้วเนี่ยเพื่อเข้ามาถึงคําสุดท้ายที่ท่านสอนบอกว่าจึงจะพบของจริงของจริงนี่คือพระนิพพานเป็นของเที่ยง เป็นของสุขไม่มีเจ้าของนะไม่มีเจ้าของเพราะฉนั้นทำกรรมฐ า, านนะถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วทํากรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อสงบไม่ใช่เพื่อสุขไม่ใช่เพื่อดีเพื่อวิเศษอะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อรู้ทันจิตที่มันหนีไปจิตเคลื่อนไปเรารู้อย่าไปห้ามเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้บางวันรู้ได้มากก็เรียกว่าเจริญก็อย่าไปหลงดีใจบางวันมันไม่ยอมรู้จิตเป็ น, นนัตตามันไม่ยอมรู้มฟุ้งแหลก กาอย่าไปเสียใจให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะสุดท้ายเมื่จะเห็นว่าเจริญได้ก็เสื่อมได้เ ส, ดสื่อมได้ก็เจริญได้เสื่อมและเจริญเนี่ยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความเจริญนะเราต้องการให้จิตยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีแต่ทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ถึงที่สุดแห่งทุกเลย นี่วันนี้สอนให้จบหลักสูตรแล้วนะพอถึงนิพพานละต่อไปนี้ไปกินข้าวนะนี่หมดนะครับ